ว่าโทษทาความปราบที่เล็กไม่เลยโทษทาความไม่เลื่นท่าของตัวเองให้จับจุดนี้เอาไวา้เรามีคุณค่าบางแล้วทําไมจะปราบมันไม่อยู่วะทำมกุฏิจ้านี่เป็นทำเครื่องปราบที่เล็กอยู่แล้วือทําไมล่ะนํามาปราบมันปราบไม่อยู่มันเป็นเพราะอะไรอือย่างน้อยก็ว่ากําลังไม่พอมากนั้นก็เราเหลวไหลไม่เป็นท่าเนี่ยเราไม่ได้มาหาความเหลวไหล ยาเสียดายเรื่องโลกผู้จะปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ยาไปเสียดายเรื่องโลกเกิดแก่เจ็บตายกองยมดำไามมาล่ทานาทารั้วทำสวนบ้านเดือนกว่านี้แต่ศพคนไปอยู่ที่ไหนความตายมีที่นั่นชาติอยู่ที่ไห น, นความตายมีที่นั่นชาเป็นโลกคนตายก็ตายเต็มโลกคนเต็มโลกคนก็ตายเต็มโลกมีความทุกข์เต็มโลกมันเหมือนกันหมดสงสัยอะไรเห็นอยู่ด้วยตานเดียวปราบ ตรงวันที่พาให้เป็นปรชาช้าที่จะจองปรชาช้าผมอยากให้หมู่ว่านในรู้ได้เห็นพยายามสอนเต็มศักย์กำลังความสามารถเรื่อยมาการสอนทั้งมวลก็แน่ใจด้วยไม่ใช่มาคุยนะแน่ใจว่าสอนไม่ผิดเพราะวิธีการดำเนินก็ได้ดาเนินมาแล้วอย่างนั้นทั้งผลเป็นมายัางไงก็ได้พูดให้ฟัง เป็นสิ่งที่พวกเราทั้งหลายจะสามารถได้คืยกันทั้งเหตุทั้งผลซึ่งจะเป็นขึ้นมาจากเราคนเดียวอันนี้อยู่นิดมันก็วนอยู่นั่นแหละไม่เห็นอันนี้มากมันก็อาให้หมืดตื่อไปเลย มองเห็นทำเหมือนก็เป็นค่าสุดใหญ่นึงเออคิดไปในแง่ธรรมะอย่ในนี้เหมือนก็เป็นค่าสุดใหญ่ไม่อยากคิดไม่อยากมองเนี่ยามันหนาเนี่ยจริงๆนั่นเห็นธรรมะเป็นเป็นภัยไปเลยเป็นค่าสุดไปเลยนั่นแหละน่าขี้เลยเวลาตากมันก็มาตากเข้าไปแล้วที่นี่ คุณข้านทำค่อยปรากฏขึ้นโทษของกิเลสค่อยเห็นไปเรื่อยๆเรื่อยๆไปนะเหี่ยเบื้องต้นมันเป็นอย่างนั้นนะ ไ, ไม่ไม่รู้ว่ากิเลสเป็นอะไรต่ออะไรทําเป็นยังไงก็ไม่รู้กิเลสเป็นยังไงก็ไม่รู้ทั้งๆ ท, ท, ที่มันกองอหัวใจเราเนี่ยเทากันไปทั้งกองเขาบอเป็นเราอยู่เป็นของเรา น, นั้งกอดกันนั่ไปยินร้อนสิโอ้ยิ่งทำมาผมเคยพูดไป ก, กี่ครั้ง นความเพียรจึนทำให้ขยับทุกวันนี้คิดย้อนหลังจากของที่ทำมาออกอุทานบงทีโอ้โหโอ้โหขนาดนั้นมันก็ทำได้ใ่ไอเวลามันเด็ดมันเด็ดจริงๆอะถึงเวลามันมันเด็ดนี้ยังไงมันก็ไม่มีถอยตายก็ตายไปเถอะไม่มีอะไรเสียดายเลยนี่จะพุ่งเหมือนออก ทะลุเหี้ยไม่ทะลุเอาตายก็ตายว่างั้นหน่งเนี่ยเวลาเข้าได้เ ข, เ, ขเข็มมันเป็นพักๆนะถึงขั้นนั้นมันก็รู้เองด้วยการนั่นแหละคนเราพูดนี้มันไม่หนีจากผู้ปฏิบตัติมันจะต้องไปเจอกันวันหนึ่งในแง่เหล่านี้เพราะกิเลสมันเป็นคลื่นเป็นคลื่นเหมือนคลื่นทะเลคลื่นของกิเลสที่เราจะต้องดต่อสู้กันไว้อย่างสลับเป็นสลับตายถอนไม่ได้ถอยไม่ได้ว่างี่มันไมี เหมือนเตี้ยวเลยทะละุจริงๆ ม, มาลุ้นเรื่องปัญญาบ้างผมมารู้ตอ น, นผมมาลุ้ตอนสลับเป็นตายตานั่งหามุ่งหามคําิึงมาได้เห็นคุณค่าของปัญญาคนเรานี้เามัจะตายจริงมันไม่มีทีพึ่งแล้มันอัตชีตันโนโถมันมาเองมานั่นคนเราไม่ได้โง่อยู่ตลอดไปนะ เมื่อถึงขาดจนกรอบจริงไม่หาผู้อื่นช่วยไม่ได้หาใครช่วยไม่ได้พึ่งผู้ใดไม่ได้แล้วมันก็หมุนก็มาพึ่งตัวเองช่วยตัวเองนั่นแหละสติปัญญามันเกิดก็ทุกเวทนาเหมือนกองไฟเผาอยู่หนึจนตัวสั่นหนึ่งเราจะมาทนชู้มันหวีทนมันทุกหวีเขยมันทนมันไม่ใช่ทางถ้าทํางานมันถึงจะเรารู้อย่างห็จริงในเ่องทุกท่านหอดทุกขังเดียร์จังมันเป็นยังไงวักนั่นอันดามันหมุนติ้ว ติืออกไปสติปัญญาหมุนทุกมากเท่าไรมันยิ่งไม่ถอยเงี้ยันถอยไม่ได้ตายก็ตายมันถอยไม่ได้เลยสติปัญญาหมุนติ่ติืออาไปตามเรื่องความทุกข์ทุกตรงไหนมากมันจับตรงนั้นค้นตรงนั้นไม่กําหนดว่ามันจะหายหรือไม่หายมันจะหายหรือจะตายนี่จะเอาให้รู้เอาให้ถึงความจริงค้นอยู่กับความจรงิงนั่นเองพอไม่ต่อมันก็รู้กันมาเน <S <S ี <Yeah> ่ย ทุกข์มันก็ดับมันไปเอ๋ไม่ต้องใบบังคับมันพอมันเข้าใจแล้วแม้มันไม่ดับมันก็ไม่สามารถทำประสานจิตได้เลยถึงแม้ว่าร่างกายของเราจะเป็นไฟตั้งกองก็ตามแต่จิตมันยิ้มเลยอย่างสบายเพราะมันไม่เข้าถึงกันเมื่อต่างอันต่างจิตเราเนี่ยมันเป็นอยู่สองสองอย่างสำหรับผมเองคือเป็นอยู่สองประเทศอย่างหนึ่งพอทุกข์ดับไปด้วยการพิจารณารอบ ไปทำกันดาแล้วมันก็ดับไปหมดหรือดับไปมาทั้งร่างกายหายเงียบไปหมดไม่ซ้ำไปอยู่ไหนไปอยู่ไหนก็มากังวลกับมันทำใหม่เวาหาของกินกินตรงไหนเราก็อยู่ตรงนั้นก็แล้วกันเนี่ยไม่แต่ว่าโควิกับมันละตอนนั้นเวลามันลงเต็มที่เห็นไม่ไม่มีละต้นไม้ภูเขาโลกสงสารมีด้วยไม่มีร่างกายมีไม่มีมันไม่มีความรู้สึกกับสิ่่งเหลานี้เลยแล้วแต่ความรู้ที่ว่าพูดไม่ถูก อัศจรรย์ในอันเดียวไม่สองกับอะไรเลยเราจะไปปรุมขึ้นมาว่าเป็นอันนั้นกับอันนี้ก็ไม่ถูกอีกแล้วมันเป็นการบรบกวนด้วยเป็นการควรอันนั้นให้กับเพื่อมแล้วก็จะถอยออกมาเสียแง่ศกแต่ว่าเท่านั้นท่ำไมจึงว่ากานุปัตตนานสั้งศักิ์แต่ว่าจิออตอธิคตันติเห็รนรหมบาปนสะสติปัจจุปปติตาโหติปัจจุปัติตางโหติ จัตวารู้คือไม่เลยนั่นไม่ ม, มันไม่เคลื่อนจากนั่นไปอติจิตตันติหมายจะมให้กําหนดให้ทําความเข้าใจว่าจิตมีอยู่นั่นว่าความหมายอติจิตตันติวาปนัสสัสติปัจจุติการโหติในหลักปัจจุบันมันรู้อยู่ในหลักปัจจุบันเท่านั้นอะไรยะนัมตายะสติเจติมัตายะปฏิสติมัตายะ สักแต่ว่าหลูสติกระจัดแต่ว่าสติเนี่ยในระับถึงขั้นนะจริงอย่างนั้นจริงๆเวลาจิตมันเป็นไปโดยหลักธรรมชาติของการโดยการปฏิบัติจริงๆแล้วเป็นอย่างที่ท่านว่าไม่มีอะไรขั้นกันได้เลยนั่นมองกายมีอยู่นั่นหมาทีึองอะไรกาหนดพิจารณากายนะกายมีอยู่วิ่จิตเวญนามีอยู่จิตมีอยู่ธรรมมีเอานั้นเป็นหลักกําหนด ถึงมันมีอยู่กายมันทำไมจะไม่เห็นไม่รู้อันก่อนเรามันเอาเข้าไปเต็มที่มันมันเข้าใจงั้นมแล้วอั่งว่าอปฏิกิจตามติ่าปะนะสสากุฏิปัจจุบัติี่เาหัติดนามัสไตาุติสัตติมัสไตสัตติมัสไตนะอันนี้คืตัวจะย่าติณัติจินอ่อัที่คลืมซะทันพูดเร็วๆนี่ก็ไมทัน ทางจังวัดเอวังโคอย่างที่แหละคือการพิจารณาสติปัฏฐานจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานตัณหะสติปัฏฐานลัทธหรือมันมันจักแต่วารู้นจริงๆเวลามันเป็นดยหลักธรรมชาติมันมันเข้ากันได้ปุ๊บเลยเลยนะถ้ า, ม, า, ม, า ม, มันเป็นด้วยข้าข่านหมายไม่ได้อมันเป็นดยหลักธรรมชาติมันเองก็ได้ทุกสัตว์ทุกส่วนหรือว่าจะเป็นการเวรทนาจิตธรรม เหมือนกันหมดแต่แล้วแต่ใครจะเป็นเด่นที่ตรงไหนแล้วมันในสติปัฏานทั้งสี่มันคงมีอันเด่นอันหนึ่งจนได้เช่นอย่างใจรักนี้ผู้หนึ่งจะต้องเด่นอันหนึ่งจนได้แต่ผมนี่มันเด่นเรื่องอนัตตาใจรักนะคือมันถนัดเรื่องอนัตตาสติปัฏฐานสีมันก็ถนัดึงตรงจิตนั่นเพราะจิตนี้ตัวตัวดิ้นแ่มันฟาตัวนี้อยู่แล้มันก็รอบไปหมด เราพิจารที่ว่าเราสามารถพิจารณาที่าตระหนักรือ่าราระกไจะเปนิาที่เรามารถพิจารณา้ ท่องมาตามสูตรก็ได้แตมันตัดตรงนี้มันก็ไม่ทันผมพอดีทะลึกระไม่ได้ลืมไปแต่ท่องไปตามสูตรมาเลยก็ได้เรามันทำนั่ไม่ทำนานในเรื่องสูตรเรื่องอะไรท่านพูดแต่นั้นท่านพูดออกมาจากความจริงจากภาคปฏิบัติที่ท่านรู้แล้วเห็นแล้วท่านออกมาไว้งั้นที่เราไปจําออกมามันเป็นภาพ ค, ความจํานั่นไม่ใช่ความจริง มันยินงต้องปีนกับความรินอยู่เสมอจำมาแล้วก็จามาเพื่อปีนความรินแต่พอเข้าไปปฏิบัติพอมันเป็นจริงแล้วมันยอมรับกันทันทีกันไปพอเรอยนรู้เรื่องของขปัญญาได้เต็มกําลังความสามารถเจ้า ข, ของกับรู้เรื่องตอนมันเติอนเ ก, กอกันแล้วเตือนกอกเกาะเอนมุมนั่งหามลุ่มหามคำ เขากันจนโหทุกวันทำไม่ได้นั่งตายไปทุก่ันทำไมมันได้มีนาซิกำลังของจิตนี่ก็มีความมุ่งมั่นมันเต็มที่ขมันแล้วร่างกายขงกกมีกำลังของมันกลังของจิตที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นมันก็มีนี่ก็ไปได้ทุกวันนี้นไม่มีอะไรกำลังของกายเรา ให้กินอยู่ทุกวันทุกวันขนาดนี้มันก็ยังควยแต่จะตายอยู่แล้วซุดทรงอยู่เรื่อยๆนี่จะเสริมพยายามเสริมอะไรมันก็ควายแต่จะซุดลงเนี่ยคุณพีคกับเจ้าตะควาเจ้าตะควาจะกดมันลงนั่นคือว่ากดบ้างอิ่มบ้างนั่นแหะคือกดมันลงความมุ่งมั่นมันก็อเต็มกําลังของมันเดี๋ยวนี้มันไม่มีความมุ่งมั่นมันไม่มีก็บอกมันไม่มี หนมันต่ออาตต่อทรรต่อแดนพ้นทุกอะไรอย่างนี้ไอนี่มันไม่มีทำก็เพียงทำเพียงสะบ้านน้าไม่ตายหร้กนั่นจะว่าจะว่าขี้เกียจดิ๊กไม่เห็นในตาําหนิเจ้าของว่าขี้เกียจเป็นข้งมันอย่างนั้นจะว่าไงแต่ก่อนเรายังขยันหนังหนาเลยแต่นี้ทำไมไม่เห็นขยันว่ามันก็ไม่เห็นไปตําหนิเจ้าของเอาเงื่อนต้นมาขัดกับเงื่อนปลายอย่างนี้มันก็ไม่มาขัดกัน เราถึงย้อนถึงเรื่องความเพียนะมัวัวจริง แ, แต่ก็ภูมิใจภูมิใจความจริงจังของเจ้าของที่เหลือมันก็กลัวนะจริงจังแต่การทีไรมันต้องเหมาะทุกทเอาเป็นเอาตายเขาว่างเดือนมันเหมาบทุกทีนะถ้าธรรมดานี่เลยิวทะลอกก็ไม่ได้นผิวดิเลรก็ไม่พอทะลอก นิสัยเรามันิสัยยากเอาเอะไรอบฟาดมันลงไปเลยทำไม่ทาถ้าทำแล้วเอาเลยโอ้โหตอนทุกขเวทนามันครอบมันเป็ น, นเหมือนเป็นไฟทั้งกองเลยนะร่างกายเราเหมือนกับกองไฟทีเดียวก้อนไฟทั้งก้อนทั้งกองเลยนะจะร้องหาพ่อหาแม่ให้มาช่วยหรือว่าอะไร นี่เรียกว่ามันจ น, นกรอบมันไม่มีทางออกเพราะออกออกไม่ได้นี่คำจัดหมุนติ้วเข้าไปแล้วเนี่ยบังคำวันนั้วเนี่ยออกมาก็ตายทิ่งเปล่าใหญ่ เ, เหลืออยู่ในศาสนาให้หนักศาสนาเลยคนไม่มีคําจัดคาพินนี่หนักศาสนาออกมาเพื่อความหนักศาสนาอย่าอยู่เป็นโมคฆะพิสูจเลยให้ตายเสยดีกว่านันอา้าวตายด้วยคำจัดคำพินเอาไม่ตายให้รู้งานคำจัดนี่ตั้งเหมือนเราเอาน้ําจุก ก้นเข้าไปนี่แม่มันถอยม า, มาแล้วมันถุงน้็พุ่งนาโอ้พิจนางั้นวันไหนได้อัศจรรย์ทุกครั้งไม่เคยพลาดนะที่เราเคยนั่งหาล่กของข้ามาไม่ทราบผีจริงโอ้โหมันตั้งสึกกว่าคืนนะแต่ไม่ใช่ติดๆกันนะอย่างเดียวก็เล่นสองคืนเอาทีหนึ่งเล่นสามคืนบ้างเล่นหกเจ็คืนบา ถ้าวันไหนฝนมีฝนตกคาด้วยละเอาละวันนี้เลยนะมันเหมาะดีนะฝนตกคายิ่งให้ฝนตกตั้งแต่หัวค่ำยันสว่างลเลยแ ล, แล้วนั่นน่ะช่วยคาดกันได้ดีนะคือความร้อนนี่มัน ม, ม, มันทำให้ร่างกายเป็นทุกข์มากนะเคยนะนั่นเวลาร้อนน่งห่ มันทุกข์มากนั่งเวลาเย็นๆบรีบรีเห็นฝนทานี้ี่พิงารนี้มันจับติดปั๊บติดปั๊บเหมือนกับคิมปากคมๆเนี่ยพอนี่ปั๊มติดปั๊บติดปั๊บในการพิจารณามันติดปั๊บติดปั๊บไม่นานนมันพุ่งเลยยังไม่ทําอะไรน่ากับพุ่งเลยสําคัญที่ตรงมันจนเกล็ดแห่มันหมดจริงๆนะสติปัญญา มันไม่ถอยเลยไม่มันไม่นอนมันไม่อยู่สู้ตายสู้ทุกทนทุกอย่เฉยมันไม่ยอมเลยผมไม่แช่ทางก็ทราบแล้วบอกมันลอยู่แล้วมันต้องหมุนน้องมันจิ้วพอไปันไปเข้าใจนี่มันกระจ่างกระจ่างกระจ่างออกไปชัดชัดชตดลงไปก็พุ่งไปเลยถึงทําให้คิดถึงเรื่องพระโสนที่ว่าสันต ประกอความเพียรจนกระทั่งฝ่าเท้าแตกผมแน่ใจตามหลักปฏิวัตปทาที่เราดำเนินมาว่าการที่ท่านเดินกลมจนกระทั่งฝ่าเท้าแตกไม่ใช่ท่านเดินด้วยความ บ, างบังคับท่านเหมือนอย่างเราสังหาย บ, างบังคับให้เดินคือขอเดินกลมเป็นฝ่าเท้าแตกนี่ท่านเดินกลมด้วยฝ่าเท้าแต ก, กเพราะความเพียรกล้า มันทําให้เพลินไปกับความเพียจนลืมเว ล, เวลาลืมเด็ดตืมเหนื่อยเมื่อยล้าไปหมดเพราะเราเป็นแล้วทั้งนั้นเหล่านี้จนฝ่าเท้าแตกมารู้ตัวเพรอจิตมันไม่ได้ออกไปอยู่นน่นมันอยู่นี่มันหมุนติ่วติ่วทํางานอย่างนี้ข้าวที่อยู่ดีภายในนะก่อรู้สึกตัวก็ฝ่าเท้าแตกเราก็ไม่เห็นฝ่าเท้าแตกล่ะเราหัดเป็นแตเพียงว่าออกร้อนฝ่าเท้าโอ้โหเหมือนถูกไฟล้นเงนเนี่ยฝ่าเท้าเวลามานี่ าท่าหนูโถออกพร้อออกลอนหมดลืมน้ำลืมท่าลืมอะไรอะไรทั้งหมดไม่ได้สนใจกับอะไรพอมาถึงที่พักมองดูการน้ำแล้วโดดส่การน้ามันสะตายนะดื่มน้ำเราสำลักกักักับกับกับกับกับกับกับกับกับกัเกับกักับเับกับกับกับกับกับกเบกับกับกับกับกับกับกับกับกับกับกับาับกับกับกับกวบกาบตัเกับกับกับกับกับกับ น, นเป็นขั้นความเพียนอัตโนมัติผมแน่ใจอย่างนั้นท่านปัญญาจะอธิบายตรงไห น, นหมู่เพื่อนฟังได้อียไหมมีไหม ม, มีก็อธิบายก็เสร็จแล้วก็